ปฏิจจสมุปบาทในฐานะมัชฌิมธรรมเทศนาความเข้าใจในปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าเป็นสมาธิิหรือเห็นถูกต้องและความเห็นที่ถูกต้องนี้เป็นความเห็นชนิดที่เรียกว่าเป็นกลางๆางไม่เอียงสุดไปทางใดทางหนึ่งปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นหลักหรือกฎ ที่แสดงความจริงเป็นกลางๆไม่เอียงสุดอย่างที่เรียกว่ามาเชนะธรรมเทศนาคำนี้เรียกตามพุทธพจน์ว่ามาเชนะธรรมังเทเสติแปล ว, ว่าแสดงธรรมโดยท่ามกลางแต่ในสังยุตตนิกายอัตถกถาอธิบายว่าทรงดำรงในมัชฌิมาปฏิปทาแล้วแสดง ส่วนวิสุทธิมักเรียกเป็นมชจิมาปฏิปทาเห็นว่าเรียกตามบาลีเดิมอย่างข้างบนแสดงธรรมโดยท่ามกลางเป็นดีที่สุดความเป็นกลางของหลักความจริงนี้มีโดยการเทียบกับลัทธิหรือทฤษฎีเอียงสุดต่างๆและความเข้าใจปฏิจจสมุป บ, บาทโดยถูกต้องจะต้องแยกออกจากทฤษฎีเอียงสุดเหล่านี้ด้วย ดังนั้นในที่นี้จึงควรนำทฤษฎีเหล่านั้นมาแสดงไว้เปรียบเทียบเป็นคู่คู่โดยการใช้วิธีอ้างพุทธพจน์เป็นหลักและอธิบายให้น้อยที่สุดคู่ที่หนึ่งอธิกะวาธาลัทธิว่าสิ่งทั้งหลายมีอยู่จริงและนัตถิกะวาธะลัทธิว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีจริง มายเหตุผู้อ่านอติกาวาทะถ้าเรียกแบบไทยก็คืออติกาวาดนะครับในกรณีของลัทธิหรือทฤษฎีต่างๆคำว่าวาทะเปลี่ยนเรียกว่าทิฏฐิได้ทุกแห่งดังนั้นวาทะทั้งสองนี้และต่อจากนี้ไปจึงเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าอติกาทิฏฐินติกาทิฏฐิสัจัตาทิฏฐิอุเฉทาทิฏฐิเป็นต้น เฉพาะอัติกะวาทะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัพพติกะวาทะคู่ที่หนึ่งอัติกะวาะะทะลัทธิว่าสิ่งทั้งหลายมีอยู่จริงและนัติกะวาะะทะลัทธิว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีจริงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าสัมมาทิฐิสัมมาทิฐิดังนี้แค่ไหน จึงจะชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแน่ท่านกัจจานะโลกนี้โดยมากอิงทฤษฎีของตนไว้กับภาวะสองอย่างคืออัตตาความมีและนัตตาความไม่มีเมื่อเห็นโลกกัสมูทัยความเกิดแห่งโลกตามที่มันเป็นด้วยสัมมาปัญญานาัตตาในโลกก็ไม่มี เมื่อเห็นโลกกันนิโรธความดับของโลกตามที่มันเป็นด้วยสัมมาปัญญาอัตตาในโลกนี้ก็ไม่มีโลกนี้โดยมากยึดติดถือมั่นในอุบายและถูกคล้องขังไว้ด้วยอภินิเวสะหรืออภินิเวศความยึดติดถือมัน่นส่วนอริยาสาวกยอมไม่เข้าหาไม่ยึดไม่ติดอยู่กับความยึดติดถือมั่นในอุบาย ความปักใจอภินิเวศและอนุสัยว่ า, าตาของเรายอมไม่เคลือบแคลงสงสัยว่าทุกนั่นแหละเมื่อเกิดขึ้นยอมเกิดขึ้นทุกเมื่อดับก็ยอมดับอริยส า, าวกยอมมียานในเรื่องนี้โดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเลยเพียงเท่านี้แหละชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิ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 เรา อ, อาวิชานั่นแหละสำรอกดับไปไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับไปวิญญาณจึงดับหมายเหตุผู้อ่านเมื่อมีการละด้วยปัญญาใหญ่จะขออ่านคำว่าปยาญ์ญาณซึ่งแปลว่ายอ่อเพื่อความสะดวกในการฟังและการอ่านนะครับ รามนักโลกายัตคนหนึ่งมาเฝ้าทูลถามปัญหาว่าท่านพระโคตมะผู้เจริญสิ่งทั้งปวงมีอยู่หรือพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าขอว่าสิ่งทั้งปวงมีเป็นโลกายัตหลักใหญ่ที่สุดสิ่งทั้งปวงไม่มีหรือตอบว่าขอว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีเป็นโลกายัติที่สอง สิ่งทั้งปวงเป็นภาวะหนึ่งเดียวคือเอกัตะหรือข้อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นภาวะหนึ่งเดียวเป็นโลกายดที่สามสิ่งทั้งปวงเป็นภาวะหลากหลายคือปุถุตตะหรือข้อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นภาวะหลากหลายเป็นโลกายะที่สี่ดูก่อนพราหมณ์ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองข้างเหล่านี้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 สัตตว า, าะทะลัทธิถือว่าเที่ยงและอุเฉทาว า, าะทะลัทธิถือว่าขาดศูญคู่ที่สามตตาการวาทะหรือสยังการว า, าะทะลัทธิถือว่าสุขทุกข์เป็นต้นตนทำเองและปราการว า, าะทะลัทธิถือว่าสุขทุกข์เป็นต้นเกิดจากตัวการภายนอก คู่ที่สมและสี่นี้มีความสำคัญมากในแง่ของหลักกรรมเมื่อศึกษาเข้าใจดีแล้วจะช่วยป้องกันความเข้าใจผิดในเรื่องกรรมได้เป็นอย่างมากจึงควรสังเกตตามแนวพุทธพจน์ดังนี้ถามทุกต์ตนทำเองหรือตอบว่าอยากล่าวอย่างนั้นทุกตัวการอื่นทำให้หรือ อย่ากล่าวอย่างนั้นทุก Ь ตนทำเองด้วยตัวการอื่นทำให้ด้วยหรืออย่ากล่าวอย่างนั้นทุก Ь ไม่ใช่ตนทำเองไม่ใช่ตัวการอื่นทำให้แต่เป็นอธิชฌสมุขบันคือเกิดขึ้นเองลอยลอยหรืออย่ากล่าวอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นทุ ก, ทกไม่มีหรือทุกไม่ใช่ไม่มีทุกมีอยู่ ถ้าอย่างนั้นท่านพระโคตมะไม่รู้ไม่เห็นทุกข์หรือเราไม่ใช่ไม่รู้ไม่เห็นทุกข์เรารู้เราเห็นทุกข์แท้ทีเดียวขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดบอกโปรดแสดงทุกข์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดเมื่อว่าทุกตนทำเองอย่างที่ว่าที่แรกก็เท่ากับบอกว่าผู้นั้นทำผู้นั้นสวยทุกข์ กลายเป็นสัสตตาทิ่ถีไปเมื่อว่าทุกตัวการอื่นทําให้อย่างที่ผู้ถูกเวทนาทิ่นแทงรู้สึกก็เท่ากับบอกว่าคนหนึ่งทำคนหนึ่งเสวยคือเสวยทุกข์กลายเป็นอุเจทาทิ่ถีไปตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองข้างนั้นยอมแสดงธรรมเป็นกลางๆว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี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 สุขทุก league, ตัวการอื่นทําให้หรืออย่ากล่าวอย่างนั้นสุขทุกข์ตนทําเองด้วยตัวการอื่นทําให้ด้วยหรืออย่ากล่าวอย่างนั้นสุขทุก์ไม่ใช่ตนทําเองไม่ใช่ตัวการอื่นทําให้แต่เป็นอาทิตย์จัสมุกบันคือเกิดขึ้นเองลอยลอยหรืออย่ากล่าวอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นสุขทุกขไม่มีหรือ สุขทุกข์ม่ใช่ไม่มีสุขทุกข์มีอยู่ถ้าอย่างนั้นท่านพระโคตมะไม่รู้ไม่เห็นสุขทุกข์หรือเรามิใช่ไม่รู้ไม่เห็นสุขทุกข์เรารู้เราเห็นสุขทุกข์แท้ทีเดียวขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดบอกโปรดแสดงสุขทุกข์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดเพราะเข้าใจเอาแต่แรกว่าเวทนาก็นั่น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 ตัทาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองข้างนั้นย่อมแสดงธรรมเป็นกลางๆว่าเพรออาะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีละจนถึงเพรออาะอวิชชาสำรอกดับไปไม่เหลือสังขารจึงดับไปยานดูก่อนอานุ์เรากล่าวว่าสุขทุก์เป็นปฏิจจสมุปบาทธรรม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 อาศัยมโนสันเจตนาเป็นเหตุคือความจงใจทางใจเป็นเหตุสุขทุกภายในจึงเกิดขึ้นได้เพรออาะอวิชานั่นแหละเป็นปัจจัยบุคคลจึงปรุงแต่งกายสังขารขึ้นเองเป็นปัใจจัยให้เกิดสุขทุกภายในบ้างเนื่องจากผู้อื่นคือถูกคนอื่นหรือตัวการอื่นกระตุ้นหรือชักจูง จึงปรุงแต่งกายสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกภัยในบ้างรู้ตัวอยู่จึงปรุงแต่งกายสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกภายในบ้างไม่รู้ตัวอยู่ยอมปรุงแต่งกายสังขารเป็นปัจจั ย, ยจหให้เกิดสุขทุกภายในบ้างจึงปรุงแต่งวจีสังขารละจนถึง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 การกาวเวทากาติเอกตตะวาธาการถือว่าผู้ทำและผู้สวยผลเป็นต้นเป็นตัวการเดียวกันและการกะาวเวทะการที่นานตะวาธาการถือว่าผู้ทำและผู้สวยผลเป็นต้นเป็นคนละอย่างขาดจากกันถามว่าตัวที่ทำก็อันนั้น ตัวที่สวยผลก็อันนั้นหรือตอบว่าข้อว่าตัวที่ทำก็อันนั้นตัวที่สวยผลก็อันนั้นเป็นที่สุดข้างหนึ่ง Surprise. ตัวที่ทำก็อยา่างตัวที่สวยผลก็อย่างหรือข้อว่าตัวที่ทำก็อย่างตัวที่สวยผลก็อย่างเป็นที่สุดข้างที่สองตถาคต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 ตั้งปัญหายังไม่ถูกผู้ใดกล่าวว่าชราโมรณะคืออะไรชราโมรณะนี้ของใครหรือผู้ใดกล่าวว่าชราโมรณะก็อย่างเจ้าของชราโมรณะก็อย่างคำพูดทั้งสองแบบนี้มีความหมายอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเมื่อมีความเห็นว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้น การครองชีวิตอันประเสริฐคือพรหมจรรย์ก็มีไม่ได้เมื่อมีความเห็นว่าชีวะก็ยังสรีระก็ยังการครองชีวิตประเสริฐคือพรหมจรรย์ก็มีไม่ได้ตถาคตไม่เข้าไปติดที่สุดทั้งสองนั้นย่อมแสดงธรรมเป็นกลางกลงว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมี พระองค์ผู้เจริญชาติภพอุปาทานตันหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารคืออะไรของใครตอบว่าตั้งปัญหายังไม่ถูกในที่นี้เนื้อความต่อไปแนวเดียวกับข้อชรามรณะละจนถึงเพรออาะอวิชชาสำรอกดับไปไม่เหลือความเห็นที่บิดเบือน สายพระขัดกันอย่างใดๆก็ตามว่าชรามรณะคืออะไรชรามรณะนี้ของไรก็ดีชรามรณะก็อย่างเจ้าของชรามรณะก็อย่างก็ดีจีวะอันนั้นสริระก็อันนั้นก็ดีจีวะก็อย่างสริระก็อย่างก็ดีความเห็นเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอันถูกกำจัดถอนรากทิ้งทำให้สิ้นสากถึงความไม่มี หมดทางเกิดขึ้นได้ต่อไปใครหนอยอมผัสสะคือใครเป็นผู้รับผัสสะตั้งปัญหายังไม่ถูกเรามิได้กล่าวว่ายอมผัสสะถ้าเรากล่าวว่ายอมผัสสะในกรณีนั้นจึงควรตั้งปัญหาได้ถูกต้องว่า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 เพราะภาษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีใครหนอเสวยเวทนาใครหนอทยานอยากคือมีตัณหาใครหนอยอมยึดมั่นคือมีอุปาทานตั้งปัญหายังไม่ถูกผู้ใดถามว่าเพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอเวทนาจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยหนอ ตันหาจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยหนออุปาทานจึงมีนี้ชื่อว่าตั้งปัญหาถูกต้องในกรณีนั้นๆก็มีคำเฉลยที่ถูกต้องว่าเพราะภสษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงมีเปยยาน ภิกษุทั้งหลายกายนี้มิใช่ของพวกเธอแล้วก็มิใช่ของใครอื่นพึงเห็นว่ากรรมเก่านี้เป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นถูกจงใจจำนวขึ้นมาคือเกิดจากเจตนาหรือมีเจตนาเป็นมูลเป็นที่ตั้งของเวทนาภิกษุทั้งหลายในเรื่องนั้นอริยาสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้ว ย่อมพิจารณาสืบสาวคือโยนิโสมนาสิการเป็นอย่างดีถึงปฏิจจะสมุปบาทคือการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ย่อมดับกล่าวคือเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีละจนถึง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 เป็นไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยไม่มีปัญหาในเรื่องที่ว่าสิ่งทั้งหลายมีหรือไม่มีจริงยังยืนราคาศูนย์เป็นต้นแต่ผู้ไม่รู้ความหมายของหลักปฏิจจสมุปบาทมักเข้าใจไตรลักษณ์ผิดพลาดโดยเฉพาะหลักอนัตานั้นมักได้ยินได้ฟังกันอย่างผิวเผินแล้วตีความเอาว่าอนัตตาหมายถึงไม่มีอะไร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 ตัวอย่างพุทธพจน์เกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยาสาวกเห็นปฏิจจสมุปบาทนี้และปฏิจจสมุปบรณธรรมคือสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทเหล่านี้ชัดเจนตามที่มันเป็นด้วยสัมมาปัญญาแล้วเมื่อนั้นการที่อริยาสาวกนั้นจะแล่นเข้าหาที่สุดข้างต้นว่าในอดีต เราได้เคยมีหรือไม่หนอในอดีตเราได้เป็นอะไรหนอในอดีตเราได้เป็นอย่างไรหนอในอดีตเราเป็นอะไรแล้วจึงได้มาเป็นอะไรหนอหรือจะลั่นเข้าหาที่สุดข้างปลายว่าในอนาคตเราจะมีหรือไม่หนอในอนาคตเราจะเป็นอะไรหนอในอนาคตเราจะเป็นอย่างไรหนอ ในอนาคตเราเป็นอะไรแล้วจะได้เป็นอะไรหนอหรือแม้แต่จะเป็นผู้มีความสงสัยการปัจจุบันเป็นภายในนาบัตนี้ว่าเรามีอยู่หรือไม่หนอเราคืออะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอสจัต์นี้มาจากที่ไหนแล้วจะไปณที่ไหนอีกดังนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะอะไร ก็เพราะว่าอริยาสาวกได้เห็นปฏิจจสมุปบาทนี้และปฏิจจสมุปบรณธรรมเหล่านี้ชัดเจนแล้วตามที่มันเป็นด้วยสัมมาปัญญาด้วยในย่านี้ผู้เห็นปฏิจจสมุปบาทจึงไม่สงสัยในปัญหาอภิปรัชญาต่างๆที่เรียกว่าอันตะคาฮิกาทิฏฐิ และจึงเป็นเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงนิ่งเสียไม่ตรัสตอบปัญหาเหล่านี้ในเมื่อใครก็ตามมาทูลถามโดยตรัสว่าเป็นอัพยากระถปัญหาหรือปัญหาที่ไม่ทรงพยากรณเพราะเมื่อเห็นปฏิจจสมุปบาทเข้าใจการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยแล้วปัญหาเหล่านี้ย่อมกลายเป็นเรื่องเลวไหลไป ขอยกตัวอย่างพุทธพจน์ที่แสดงเหตุผลในการไม่ตรัสตอบปัญหาเหล่านี้เช่นอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกปริพาชคผู้ถือลัทธิอื่นทั้งหลายเมื่อถูกถามอย่างนี้ว่าโลกเทียงคือยังยืนนิรันดรหรือโลกไม่เทียงหรือโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดหรือชีวะอันนั้นสริระก็อันนั้นหรือ ชีวะก็อย่างจริระก็อย่างหรือสัตว์หลังจากตายแล้วมีอยู่หรือสัตว์หลังจากตายแล้วไม่มีหรือสัตว์หลังจากตายแล้วทั้งมีทั้งไม่มีหรือสัตว์หลังจากตายแล้วจะว่ามีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่หรือคำว่าสัตว์ในที่นี้บาลีเป็นถาคัตโต แปลาตามไขความของอัรถกาถาแห่งมัชฌิมานิกายแต่ตามคำอธิบายในอัตถกาถาสังยุตานิกายบ่งความว่าหมายถึงพระพุทธเจ้าส่วนในอัตถกาถาอุทานว่าหมายถึงอัตตาหรืออัตมันตอบว่าแน่ท่านวัชชะเหล่าปริพาชกผู้ถือลัทธิอื่น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 เหล่าปริภาชคผู้ถือลัทธิอื่นเหล่านั้นเมื่อถูกถามอย่างนั้นจึงพยากรณ์ไปว่าโลกเที่ยงบ้างไปยานส่วนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไม่เข้าใจเอารูปเป็นอัตตาหรือว่าอัตตามีรูปหรือว่ารูปอยู่ในอัตตาหรือว่าอัตตาอยู่ในรูปละจนถึงว่าวิญญาณเป็นอัตตาหรือว่าอัตตามีวิญญาณ หรือว่าวิญญาณอยู่ในอัตตาหรือว่าอัตตาอยู่ในวิญญาณเพราะฉะนั้นรัตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถูกทูลถามอย่างนี้จึงไม่พยากรว่าโลกเที่ยงหรือว่าโลกไม่เที่ยงเปยยานการที่พระพุทธเจ้าไม่ส่งตอบปัญหาที่เรียกว่าอภิปราชญาเหล่านี้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 สำหรับเหตุผลในทางปฏิบัติสำหรับการไม่ตอบปัญหาเหล่านี้พึงดูในตอนว่าด้วยอริยสัจทฤษฎีหรือลัทธิที่ผิดซึ่งขัดแย้งต่อหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ยังมีอีกบางข้อที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษในแง่ของกรรมแต่จะงดไว้ไม่พูดถึงณที่นี้ก่อนเพราะได้ยกเรื่องกรรมไปอธิบายต่างหากอีกส่วนหนึ่งแล้วจึงจะได้นาไปรวมแสดงไว้ณที่นั้น